แนะนำบทอัลฟัตบทนี้เป็นบทมาดานิยะมี29องค์การที่ความสนใจทางด้านการตราพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆบทนี้ได้กล่าวถึงการทำสัญญาปรองดองที่ฮไดายมิยะ ah, ที่กระทําขึ้นระหว่างท่านรอซูลกับพวกมุสริกีนในปีที่หแห่งฮิจรัสรสา ร, สรา ซึ่งเป็นการเริ่มแห่งการพิชิตนครมักกะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาได้มีอำนาจมีชัยชนะมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมหมาชนพากันเข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากบทได้กล่าวถึงการต่อสู้ของบรรดาผู้ศรัทธาและทำสัตยาบันอันริวานซึ่งได้ให้สัตยาบันกับท่านรอซูล ว่าจะทำการต่อสู้ในแนวทางของอัลลอ์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่และนับได้ว่าเป็นการทำสัตยาบันครั้งสำคัญยิ่งด้วยเหตุนี้อัลลอ์จึงประทานความสิริมงคลให้และทรงโปรดปรานแกบ่บรรดาสาวกเหล่านั้นบทนี้ได้กล่าวถึงชาวอาหรับชนบทซึ่งหัวใจของพวกเขามีโรคและพวกมูนาฟิกีนที่เหลืออยู่ในเมืองไม่ออกไปร่วมทาสงครามกับท่านรอสูลพวกเหล่านั้นได้คิดร้ายต่อท่านรอูล บทนี้ได้กล่าวถึงความฝันซึ่งท่านรอสูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฝันเห็นในขณะที่นอนอยู่ในนครบดีนะและท่านได้เล่าความฝันนั้นให้แก่บรรดาสาวกได้รับฟังพวกเขาได้แสดงความยินดีกันความฝันนั้นก็คือว่าการเข้าสู่นครมะกาของท่านรอสูลุลลอฮสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและบรรดามุสลิมด้วยความปลอดภัยและความอบอุ่น และความฝันนั้นก็ได้เป็นความจริงพรเพราะทัรศูนและบรรดาผู้ศรัทธาได้เข้านครมักกาในสภาพผู้ทำอุมร์ด้วยความปลอดภัยและความสงบบทอัลฟาตถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอาลัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ด้้้วยพรระนาาามมมขออององงลผผููสกุณเตถ้าจริงเราได้ชัยชนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอันชัดแจ้ง เพื่อเราจะได้ทรงอภัยความผิดของเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วและที่เกิดขึ้นภายหลังและจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบสมบูรณ์แก่เจ้าและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าคือทางอันเที่ยงตรง ز ز และเราจะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง พระองรงคือผู้ทรงประทานความเงียบสงบลงมาสู่จิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธา ให้กับการศรัทธาของพวกเขาและเป็นสิทธิของอลัลลอฮ์คือพรไพรผลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วลอาลเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ เพื่อพระองค์จะส่งให้บรรดาพุทธาชายและบรรดาพุทธทาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายหลายผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาออกจากพวกเขานั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงณนะที่อดดัลลอฮฺ و ء, و هم, م, และวพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้กลับกรอกชายและผู้กลับกรอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งพาคีชายและบรรดาผู้ตั้งพาคีหญิงโดยพวกเขาคิดร้ายต่อโลให้ร้ายเหล่านั้น จงประสบแก่พวกเขาเถิดแล้วล้อทรงโกรธกลี้วพวกเขาและทรงสาบแช่งพวกเขาตลอดจนเตรียมนรกยานนำนั้นไว้สำหรับพวกเขาอีกด้วยมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิง่งและเป็นสิทธิของอลัลลอ์คือพระพจนแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอลัลลอ์นั้น เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาณถ้าจริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายุน เพื่อให้พวกเจ้าศรัทธาต่อหลอและรอดซูลของพระองค์และความช่วยเหลือเขารอดซูลและยกย่องให้เกียรติเขารอดซูลและแท้สองสะดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็นอออออิิินนนนนัลลลลดดีียยบบาาูมม แท้จริงบรรดาผู้ให้สัตยาบันกับเจ้านั้นเสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์พระหัตของอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขาฉะนั้นผู้ใดทําลายสัตยาบันเสมือนกับว่าเขาทําลายตัวของเขาเอง ส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอฮ์โดยครบถ้วนพระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา <S <S ُلْ يَمْلِكُ لَكُمْ اللَّهِ شَيْئَاً اللَّهُ بِكُمْ ضَرَّنْ ชาวอาหรับที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวแก่เจ้า ว, ว่าทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเราทำให้เรามีงานยุ่งอยู่ดังนั้นได้โปรดขออภัยให้แก่เราด้วย พวกเขากล่าวด้วยลิ้นของพวกเขาโดยไม่มีอะไรในหัวใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครเล่าจะมีอำนาจอันใดที่จะป้องกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์จะให้ความทุกข์แก่พวกเจ้าหรือพระองค์ทรงประสงค์จะให้ประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่ทว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ